เราก็ต้องเอามาใข่ครวนมาไข้ครวนในชีวิตจริงเข้าใจชัดในมัชชิมาปฏิปทาถ้าปฏิบัติตามมักมีองค์แปดรมที่สุดแห่งทุกได้อ น, น, นเข้าใจวิธีการเจริญโพชฌงอันนั้นก็แสดงว่าซับคือศรัทธาสินสุ ต, ตะจากขะปัญญาซับคือฮิริโอตตะเพิ่มภูนบริบูรณ์อันนี้ก็ประกาศว่าเจริญขึ้นถ้าตรงกันข้ามพระจันข้างแรม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 จะต้องดูดร้อนดังต่อไปนี้หนึ่งอายุสัน้นสองยากจนเข็นใจสามมีแต่คนรังเกียจจริงจังสามถูกดา่าตั้งแต่เชา้าจนค่ำไม่มีใครพูดจริงกับเราสักคําเลยอย่างเง้ยนอะเอาไหมแล้วสติ ป, ปัญญาพอปัมป่มปั่มเปอรเ ป, เปไปอย่างเงี้ยนะก็พวกนี้ก็แช่งตัวเองชัดๆถามว่าสาปแช่งตัวเองหรือให้พรตัวเองเอะดูจากตรงไหนก็ดูจากกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ย น, นะท่านเราต้องสามารถศึกษาจนตรวจสอบตัวเองได้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 มันก็ปฏิเสธหัวหน้าไม่ได้ในหมู่มนุษย์จําต้องอาศัยหัวหน้าแล้วก็เลือกดูว่าหัวหน้าของเราเป็นอย่างไรเนี่ยเขาให้ประโยชน์เหล่านั้นได้ไหมแต่ถ้าอย่างสมัยนี้ก็พระไตรปิฎกก็ดูว่าแบ่งเวลาอยู่กับพระไตรปิฎกวันละนะก็อย่างว่าวันหนึ่งอ่ะคิดถึงพระพุทธเจ้ากับคิดถึงคนอื่นอันไหนมากกว่ากันก็ลองดูเอาแล้วกันทําท่าจะเจริญหรือทําท่าจะเสื่อมอย่างเงี้ยนะก็ดูจากตรงนั้นนะะว่าวันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้ากับคิดถึงคนอื่นเป็นยังไง ต, ตรวจได้เลยนะ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 ตรงตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักยังไม่รู้อํานาจของตันหาอันมีปกติทําไม่เกิดในภพใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดการเพียงไรพิสูทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมนี้ได้เพียงนั้นนะอยารู้อํอยารู้อำนาจตันหาที่พาสร้างภพชาติตันหานั้นคืออะไรโปโนพวิกาตันหาที่ทําให้เกิดภพใหม่เนี่ยนะเป็นชื่อของตันหา ท่านบอกว่าอะไรพิสูจเหล่าใดรับบินทบาทของอุปถากแล้วจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งเพราะเหตุแห่งปัจจัย่พิสูจนเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งตันหาเนี่ยนะก็ะคือชีวิตนี้สแสวงหาแต่เครื่องนุ่งห่มสแสวงหาแต่อาหารเพื่อเลี้ยงปากท้องสแสวงหาแต่แต่อะไร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 ขันห้าพถ้ายินดีในแปดใจสี่ก็แปลว่ายินดีในขันห้าเป็นอย่างยิ่งถ้ายินดีในขันห้าก็ยินดีในพบใหม่ น, นะพบใหม่ก็ต่อด้วยอะไรพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติที่สุดของชาติก็คือชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสนี่นะเนะตรียมภาชนะไว้ซับน้ําตาบ้างก็แล้วกันนะอะไรดีไว้ไว้ใส่น้ําตาบอกอว่านายต้องใช้ทะเลนั่นแหละ น, ะนะนะั่ ต้องขุ ด, ดอะไรต้องขุดสะเท่าทะเลนั่นแหละจึงจะพอรองรับน้ำตาได้นะเสียใจอีกนานเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่รู้อำนาจแห่งตันหาที่นำไปสู่พบใหม่นะต้องระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆน ะ, ะดูก่อนตันหาดูก่อนตันหานายช่างผู้สร้างเรือนบัดไอการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์่างั้นกนะันเถะการเกิดใหม่เป็นทุกข์นะ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 บางคนก็บอกแม่หัวใจนี่ผมยังไม่ค่อยเห็นว่ามันมันเป็นมะเร็งไนดะ้ยังไงที่หัวใจครับ ม, มีโยมคนหนึ่งก็อยู่แผนเกเกี่ยวกับนี่ยวนๆอยู่กับมะเร็งนี่แหละทุกส่วนผมเห็นหมดเลยนะแต่หัวใจนี่ผมยังไม่เคยเห็นเขาบอกงั้นเอาถ้ามันยังไม่ทันเป็นในขนาดนั้นอมตายก่อนตั้งนานแล้วเนี่ยนะมันก็เลยไม่ทันแบบไอ้ลูกลามก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะถ้าเป็นจริงก็ตายก่อ น, ต, อนตั้งนานแล้วบอก ง, งั้นท่านก็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 อุปาญาต น, นะก็ตัณหาพวกนี้มาจากไหนก็มาจากตัณหามาจาก เ, าเวทนาทางตาบ้างตัณหามาจากเวทนาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจงนะพัน้นามไม่รู้ภายตกอยู่ภา ย, ตายใต้อํานาจแห่งตัณหาอย่าลืมว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัณหาก็คือสิกขาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของตัณหาก็คือการเจริญสิกขาถ้าเจริญสิกขาได้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ ทีนี้ต่อไปก็พูดถึงสถานที่ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อกำจัดตัญหาพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังเป็นผู้มีความห่วงใยในเสนาสนะตามราวป่าตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวฮะความเสื่อมไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นพูดถึงสถานที่นึกถึงแต่ความเงียบความสงบะนะถ้าดวงใจเนี่ยนะใจเนี่ย ระลึกถึงแต่ความสงบอยู่อย่างเนี้ยจังเจริญอยู่แต่ถ้าแม้ในใจเนี่ยแทบไม่เคยคิดถึงบรรยากาศที่เงียบเงียบสงบสงบกายาวิเวกเป็นต้นแต่คิดอย่างนี้ไม่ออกเลยนะก็แปลว่าเสื่อมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องระลึกดูว่าบรรยากาศใจจริงๆอต้องการอยู่ เ, เรียกอะไรนะตอนหน้าประชุมชนหรือต้องการอยู่ในที่เงียบเงียบถ้ายังยินดีในที่เงียบก็แปลว่ายังเจริญอยู่แต่ถ้าตรงกันข้ามเสื่อมแน่เงี้ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องอผู้ที่ยินยังยินดีอยู่ในป่าอธิบายคำว่าถ้ายังยินดีอยู่ในป่ายังยินดีอยู่ในที่หลีกเลนก็แปลว่ายังยินดีในการเจริญอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาเพราะสถานที่ป่าเนี่ยนะจริงๆแล้วเหมาะสำหรับการเจริญสิกขาสามก็อย่างที่วกว่า ถ้าหากว่าเราเห็นคนทั่วๆไปเนี่ยนะเห็นคนนี้ก็เรื่องของคนนี้ไปเห็นคนนั้นก็เรื่องของคนนั้นไปเห็นคนโน้นก็เรื่องของคนน้นไปแต่ถ้าอยู่ป่าโดยมากถ้ามีใจรักสิกษาสามเมื่ออยู่สถานที่เงียบๆไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็อธิศีนอธิจิต อ, อธิปัญญาก็าจะเข้ามาระลึกถึงพระสูตรต่างๆก็จะเข้ามาเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าแม้เจอเพื่อนที่เป็นคอเดียวกันธาตุเดียวกันเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็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 ฟังเขาว่าไปนั่งรถโดยสารบางคัะนะเปิดเพลงตั้งแต่รถวิ่งจนถึงถึงที่เนะี่ยแดชั่วโมงเต็มเตมเลยนะอุ้ยฟังแต่เสียงเพลงตลอดเลยนะเนะี่ยถ้าเว้นไว้แต่มีบุญเนี่ยนะบอกว่านี่เสียงครวญของปัญหาตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ได้ก็โอเคนะก็เนี่ยนะคำพูดของความผิดหวังในเรื่องขันท่าอายตนะเนี่ยแต่ถ้าสังเวทตลอดเวลานะสังเวชเนืองเองสังเวททุกคําในเนื้อเพลงอะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอุ้ยเห็นดีเห็นงามไปกับเสียงเพลงหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็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 เราแปลว่าอย่างนั้นนะขอให้มีธุระด่วนโทด่วนอะไรก็ได้ให้ได้ไตให้พ้นๆเหมืนนอนั้นนะเพราะว่าถ้าอยู่นานเนี่ยอะไรนะภาพเพลิงถ้าเข้าพระราชวังเนี่ยนะแปลว่าแ้่ยิ่งเข้านานเท่าไหร่มันก็วอดเท่านั้นใช่ไหมแม่เขบอกว่าอะไรจะเลวร้ายเท่ากับคนทุศีลไม่มีอีกแล้วคนทุศีนเนี่ยสร้างความเสียหายมีอยู่สูตรหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเองนยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุปัมว์สูตรเป็นต้นเนี่ยสูตรที่กล่าวถึงพวกภัยอุบาทอุบาทแล้วว่าจังไรเป็นต้นเนี่ยนะ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 ชั้นใดก็ดีอุบาทหรืออุปทวะเนี่ยนะอุปสรรคปัญหาความวุ่นวายความน่ากลัวภัยทุกอย่างไม่ได้เกิดจากบัณฑิตเลยแต่เกิดจากคนพานะความน่ากลัวทุกชนิดปัญหาทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างความเลวร้ายทั้งปวงเกิดจากคนพานนะเกิดจากคนพานิชยเพราะฉ น, นคนพาณนี่มีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีภัยเฉพาะหน้าคนพาณมีอุปสรรคเฉพาะหน้า บันเด็ไม่มีอุปสรรคคือเรื่องมันเยอะจริงๆอะนะเรียกเรียกโลกของคนพาลเขาบอกงั้นเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งไว้ว่าอาเสวนาจะพาลานังอะนะขอเจริญมงคลแบบนี้ให้เยอะๆนะขอให้ข้าพเจ้ามีมงคลขอให้ข้าพเจ้าได้เจริญมงคลอย่าได้คบคนพาลเลยถ้าข้าพเจ้าเป็นพาลเสียเองก็ขอให้เลอะเลอะลักอะไรนะให้ละซะบ้างเอะความเป็นพาลอย่างเง น, นะก็ะเจริญนะ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 อันนั่นแหละบัณฑิตไอคนที่ขัดใจเรานะั้นมันพานไม่รู้เรื่องว่ากัน